ตอนนี้คุณุงสบายใจอย่างคะ่ะสบายอย่างคะ่ะค่ะสบายแล้วนะคะ ค, คุณลุงเห็นภาพพระพุทธเจ้าไหมคะตอนนี้เห็นภาพเห็นภาพพระพุทธเจ้านะคะค่ะพญาโยมราชายังอยู่ใช่ไหมคะอยู่ครับท่านพ่อท่านแม่อยู่นะคะอยู่ครับเมื่อคัศเตษที่แล้วเรามาจบลงตรงยมโลคียะนรกขุมที่สี่ซึ่งเป็นนรกเกี่ยวกับพวกสุรา ขอบา ร, รมีพระพุทธเจา้าขอบา ร, รมีท่านพ่อท่านแม่และท่านพญาโยมราชพาไปดูพวกดุมสุราอีกสักนิดหนึ่งนะคะว่าถูกทรมานยังไง อ, อถูกทรมานยังไงคะออนอนรับแล้วมีอะไรนะอ๋อมีน้ำทองแดงอะกรอกปากาใช่นายนรีบาลเขากรอกให้เสร็จนะมันกรอก โดยอัตโนมัตินะกรอกลงไปแล้วเนื้อตัวเป็นไงครเปื่อยเน่าไปแล้วก็มีถ้าเหลือตะกระดูกระโดกก็โอ้แล้วเต็มขึ้นมาใหม่ไหมเนื้อไหลดไปอีกเนื้อเต็มขึ้นมาใหม่อีกเนื้อกลับมาอีกแล้วไม่มีการตายโอ้สําหรับพวกดื่มสุลาลงมาก็มาถูกทรมารถเจ้าน้ําทองแดงนี่คือโลหะร้อนๆแดงๆใช่ไหมครับใช่ครับต่อไปยมมโลกียานรกขุมที่ ที่ห้านรกขุมที่ห้าได้มีชื่อว่าอายโยกุรนรกสำหรับนรกขุมนี้ขอบา ร, รมีพระพุทธเจา้าขอบา ร, รมีท่านพ่อท่านแม่และท่านพญาโยมราชช่วยหเห็นสัตว์นรกตามความเป็นจริงเป็นนรกเกี่ยวกับเรี่ยายาะไค่ะ พวกเรียอะไรคือไปบอกบุญเขาจะามาสร้างโบสถ์สร้างศาลาสร้างนู่นสร้างนี่เสร็จแล้วเอาเงินไปใช้เป็นส่วนตัวซะไม่ได้เอาไปสร้างหรือว่าเอาไปสร้างเป็นเพียงบางส่วนกันเอาไปกินซะบ้างเอาไปซื้อเหล้าหรือไปเลี้ยงพวกพ้องอะไรก็ตจำใจพวกนี้เมื่อตายลงมาแล้วจะมีโทษยังไงคะดูภาพสิคะก็มีโทษมานรกเช่นเดียวกันมานรกขุมเนี้ยนะคะการทรมานจานาัดนรกกินอะไรดึงโอ้ก็นี้กิน ว้ากินของบดของเน่าอนของสกปกก้อนเหล็กแดงมีไหมคะมีก้อนเหล็กแดงใหญ่ๆนะคะครับแต่ว่าความชั่วนะคะทําให้เห็นเป็นก้อนเนื้อหอมน่ากินใช่ใชใช่คว้าเอามากินพอกินแล้วเป็นยังไงผลโอ้โหกินแล้วมันก็โอ้ยตัวไหมไปทั้งตัวควนะคะ เสร็จแล้วเนื้อเต็มขึ้นมาใหม่เนื้อเต็มขึ้นใหม่อ่าเป็นผืนผิว ก, ก, กินกเข<อ>้เาไาอีกนะโอ้นี่พวกนรกเรียรย่ยไรเพราะฉะนั้นพวกที่เรี่ยไรยเขาแล้วไม่เอาเงินไปตามทํตาตามที่บอกเขาไว้ก็มาตกนรกอย่างนี้นี่ยมม โ, โลกียนรกนะคะครับต่อไปนรกขุมที่หกยมโลกียะนรกขุมนี้มีชื่อว่าปิดสกัดปัปพัตนรกเป็นนรกของพวกข้าราชการโกงของหลวงค่ะใช่ คือ ท, ทรมานยังไงคะพวกนี้อืมอืมอืมแมสมัยทุกวันนี้ไม่แย่หร<ม>อกครับไมนคอร์รัปชั่นมันเยอะอะถามท่านพระยายมที่เป็นไงคะสมัยปัจจุบันคอร์รัปชั่นเยอะเยอะเนี่ยพวกนี้มาอนาล็กอีกแล้วมาอนาล็อกทุกทรมานยังไงคะโ อ, โอ้โกงของหลวงไฟนี้ไหยคะ ตายไ ป, ไปพวกพวกนี้เอาหนักหน่อยเอาหนักหน่อยนะคะก็โกงของหลวงเหมือก็โกงประชาชนทั้งประเทศอหะใช่ครับเพราะนพวกนี้ก็มาถูกทรมานคุณลุงลองดูสิคะว่าถูกทรมานต่างๆนานากันไหมผิดกันครับผิดกันยังไงคะไอ้พวกนี้ทรมานหนักหน่อยหนักหน่อยใช้อะไรเป็นเครื่องทรมานคะอือาวุธประเภทไหนตายเลยไอ้พวกนี้ใช้ อาวุธทิ่มแทงเลยหอกเลยดาบมีลูกทุบอะไรรึโอ้ยมีจับยัดใส่ปากมีไหมมีนอากอกมาสราบลูกทุบนิ้วทุบมือดึงแขนดึงขาในสารพัดใช่โอ้ยแล้วก็นอนทรมานนอนทรมานไฟท่วมท่วมตัวเลยพวกข้าราชการโกงของหลวงนะคะพวกนี้ลองดูอีกทีมุมด้านโน้นมีภูเขาบ้างไหม มีแล้วสัตว์นรกถูกไงคะเออบทขยี้ใช่ภูเขาเนี่ยมันเลื่อนได้นะคะใช่ครับริ้งทับลงมาร้อนเป็นภูเขาเหล็กร้อนอบทขยี้ต<อ>ัดแบนเพอแบนแล้วมันก็รวมเนื้อรวมขึ้นมาใหม่ใช่ไหมคะพอไอ้ภูเขาผ่านไปข้างหลังมันก็มีเนื้อหนังขึ้นมาอีก อ, อ่าขึ้นมาอีกแล้วกราบมาอีกแบนอีก ข้าราชาการโกงนะโดย <มา S 1> แบบนีต้ต่อไปยมโรกี้นรกกลุ่มที่เจ็ดมีชื่อว่าท ok ุษสะนรกทุสณะนรกนี่เป็นนรก ok ที่มีแม่น้ําเป็นน้ํากรดพวกนี้เป็นพวกชาวบ้านโกงชาวบ้านด้วยกันค่ะใช่ชใช่<ก>ใชาวบ้านนะคะพวกเบียดเบียนซึ่งกันและกันมไม่มีความเมตตาต่อกันนรกแม่น้ําน้ํากรดนี่พวกนี้ก็โดดตรงไป ในน้ํเพาะนึกว่าเป็นน้ําใสเพราะความร้อนเนี่ยไหมคะใช่โดลงไปแล้วดีไม่ดีเห็นน้ําแห้งเป็นแกลบเหล็กหมใช่ครับแกลบเหล็กแกลบไฟนะคะใช่ครับนั่นน่ะโดนู้ไหมก็มีตาไข่เหล็กแดงคอยรองรับอยู่นะไอพวกนี้อยากไอ้ที่จะโดดลงไปเพราะเห็นว่าน้ํามันใสมันเย็นจะได้บรรเทาความร้อนสับ้างโตกโตกโตกนะแล้วก็จะเย็นมหาเย็นไห่ลงไปแล้วตายแล้วร้อนซะอี ต่อไปย ม, มโลกียนรกขุมที่แปดมีชื่อว่าสีตะโลสิตตะนรกขอพยายมราชท่านช่วยพาไปให้ดูเป็นนรกน้ำกรดเหมือนกันเป็นน้ำกรดเย็นค่ะเป็นน้ำกรดเย็นเฉียบนะคะพวกนี้เป็นพวกขาดเมตตาปากร้าย มีใช่ั้ยคะคต่อไปนรกขุมที่เก้าย ม, มโลกีนรกขุมนี้มีชื่อว่าสุนักขะนรกสุนักขะนรกนี้มันไมมีสุนักนะคะเป็นนรกที่อยู่เฉพาะของพวกปากไม่ดีด่าว่าพ่อว่าแม่ด่าว่าสมณะชีพราหมณ์ผู้ประพฤติดีประพฤติชอบนะค ะ, ะถ้าประพฤติเลวนี่คงยังไม่ต้องมามั่าถามท่านพญายมราชสิคะถ้าด่าว่าพวกประพฤติเลวเป็นไรไหม ต้องมาไหมก็บบาหน่อยไม่ต้องมาใช่ไหมคะแต่แต่ว่าพวกกรรมนาชีพรามเขาเขาทำความดีไปด่าไปว่าเขานะคะหรือด่าว่าพ่อด่าว่าแม่ก็มานรกขุมนี้เหมือนกันนะโอ้โหไอพวกนี้ปากห่าดูเป็นไงฮะมันเปื่อยเปื่อยปากเปื่อยเพราะอะไรนะเพราะด่าเขามีความร้อนมีฝนชาย นี่หนอนี่มันเป็นไม่ใช่หนอนอย่างเมืองเรามันโอร้อนใช่ไหมคะมันหนอนตัวโตโตแดงหมดเลยมันร้อนแดงด้วยร้อนครับร้อนครับโอ้โหปากคอหมดเลยปากไม่ดีนะคะต่อไปอมย ม, มโลกียะนรกขุมที่สิทธ์มีชื่อว่ายันตะภาษานรกนรกขุมนี้เป็นที่เก็บของพวกผัวเมียตีกันลงมาแล้วถูกทรมานยังไงคะ ก็มาตีกันอีกเลยมาฟาดกันอีกต่อไปครับอถ้าสามีตีภรรยาฝ่ายเดียวสามีก็มาถูกตีที่นี่ครับ <นะ S 2> ครั บ, รบถ้าตีกันทั้งคู่มาตีกันต่อไป<ช>อภรรยาตีสามีก็มาถูกตีที่นี่ใช้อะไรตีกันดูสิคะ ก, ะ บ, กะบองกระบองก็บองมันทําด้วยอะไรนะจำเหล็กรด้วยเหล็กร้อนไหม ค่ร้อนกรพื้นที่ยืนที่เหยียบที่วิ่งอยู่ร้อนไหมร้อนร้อนนะวิ่งไปวิ่งมาไล่ตีโ ด, ดนใช่ใช่แล้วมีอีกด้านหนึ่งไหมคะที่มีภูเขาอ่ะ ม, มันมีการทรมานในขุมขุมหนึ่งแต่ละอย่างไม่ค่อยเหมือนกันนะคะสุดท<ค>้ายจะ<ร>ดูอะไรนะคะคมีมีมีมพวกเขาไอ้ผู้ภูเขานี่ยเขาก็กิ้งลงมาทับอีกนี่หนีบต<อ>ัดออเขาเรียกภูเขายน์มาเลื่อนที่ได้นะนี่ <caso> สำหรับยมโลกียนานรกสิบขุมก็หมดเท่านี้นะคะกลับมาที่สำนักงานของพญยา ย, ยมราชกราบท่านพญยา ย, ยมราชว่านรก สี400ร่ร้อยกว่าขุมเนี่ยเราก็ดูพอสังเกตเพียงเท่านี้ถ้าโอกาสว่างๆจะมาขอดูอีกเนี่ยท่านจะอนุญาตไหมคะอนุญาตค่ะอนุญาตนะคะครับขอกราบทูลถามท่านพญายมราชว่าเมื่อสัตว์นรกพ้นจากนรกแล้วจะไปไหนอีกคะต้องไปทรมานเป็นเปรตเป็นเปรตขอไปดูแดนเปรตคะ่ะแดนเปรตมีอยู่สิบสองจำพวก ขอพญายมราชท่านช่วยพาไปดูเปรตรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงขี้เละขี้เละครับละพร้อมอืโอและชนิดอื่นๆมีไ้มมีตั้งสิบสองชนิดมีมีมียังมีการทรมานอยู่บ้างไหมมีครับมีนะแต่เบาใช่ไหมคะครับยังมีไฟอยู่บ้างไหมคะมีแต่น้อยแต่น้อยหน่อยนะบางอย่างต้องทําอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ตลอดเวลาหยุดไม่ได้ ถ้าหุดแต่ไฟมันจะเผาใช่ใช่ใช่สำหรับเปรดประเภทที่หนึ่งถึงประเภทที่สิบเอดก็ไม่มีเวลาจำกัดอีกแล้ตกเท่าไหร่ก็แล้วแต่กดของกรรมนะคะ ค, คุณลุงขอพยายมราชท่านดูเปรดประเภทหนึ่งสิคะมีชื่อว่าเวมานิ ก, กระเปรดเห็นภาพไปอย่างหมคะเห็นครับเปรดประเภทนี้จะมีวิมานอยู่เห็นไหมคะหตัวเปรดอยู่ในวิมานนะแต่แต่งตัวก็สวยดีแล้วน่ะ อวิมานก็สวยดีละ่ะแต่ว่าออกมาข้างนอกได้ไหมละ่ะออกมาไม่ได้ไม่ได้พอกโลออมามันมีอะไรอยู่โอม้มันมันมันหนีบเอาไอ้อะไรมันต้องมีเหมือนจักรหมุนๆือ น, นใ ช, นใช่ใช่ใช่ควันหัวเอาเลยใช่โผล่ออกมาไม่ได้ครับพวกนี้พวกชอบเลี้ยงนกนะ่ะอ๋ออ๋เลี้ยงนกเลี้ยงปลาจักรขังให้อาหารกินให้ที่อยู่อาศัยออันนี้ก็ทําให้มันมีวิมานอยู่แต่ถ้าว่าออกข้างนอกไม่ได้ นะคะกัดทุกประเภทมันก็ชอบเสรีของมันใช่ไหมคะเมื่อกับขังมันตัวตายมาก็มาเป็นเปรตมีวิมานอยู่แต่ออกข้างนอกไม่ได้นี่เขาเรียกวมานิกับเปรตนะคะขอขยาโยมราดท่านดูสิค้าว่าคุณลุงบุญมีเนี่ยมาเคยมาเป็นเปรตอยู่กี่ชาติคะขอให้ภาพปรากฏชัดๆไม่มากครับไม่มากสลานะคะครบทั้งสิบสองประเภทไหมคะ ครบครับครบจุสองประเภทนั้นไล่หมดเลยนะคะประเภทสุดท้ายมีชื่อว่าปรัชตตูประชีวีเปรตประเภทนี้ยิ่งอายุนานไหลกลับเลยทีเดียวนะคะอ่าพวกนี้ก็พอจะไปหาบุญหากุศลจากคนอื่นไปขอเขาที่ไปร้องกรี๊ซี้กรีดนะวันนั้นประเภทสุดท้ายนะคะครับปรัชตตูประชีวีเปรตเหมือนยังเปรตญาตของพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยนะคะนั่นแหละเป็นปรัชตตูประชีวีเปรต เมื่อพ้นจากเปรตแล้วขอดูภาพสิคะว่าจะไปเป็นอะไรต่ออืมเป็นอะไรคะไปเป็นสัตว์เดรัจฉานข้ามไปสัตว์เดรัจฉานเลยข้ามครับส่วนที่เป็นอสุรกายนี้นะคะมีมีมีนะขอดูภาพสิคะว่าคุณลุงเคยเกิดเป็นอสุรกายอยู่กี่ชาติไม่มากไม่มาก ม, มากนะขอดูชัดๆว่าอาสุรกายนี่ยรูปร่างเป็นไงไมันอยู่ในเมืองมนุษย์เนี่ยคะ่ะเดินไปเดินมาน พวกนี้ก็อยู่พอประมาณรูปร่างก็พอประมาณดำนะถ้าแต่ดำเผ้าไปไงผม เ, เ ผ, มเาาผมเ้ายาวหลงลังแล้วก็ผอมมากผอมน่ะใไอชนิดผอมนะไอพวกนี้ในตามมันต้องแหลกๆน ะ, ะ, ะ, ะ, ะใช่กลัวใครเขาจะเห็นหลบๆซ่อนๆในสาโตในตาโตนะมันไม่ระแวงอยู่ตลอดเวลากลัวใครเขาจะเห็นชนิดผอมๆที่คุณลุงเห็นนะพวกนี้มันกรีนของเน่าเป็นอาหาร ดูภาพสิคะมันกินอะไรเป็นอาหารโอ้จริงจริงกินอะไรคะมันกินเศษอาหารเศษเนื้อตอวอัวนักเน่าการนเอาเอาทุกอย่างนี่เอาทุกอย่างอ่ะกินของเ น, น่าๆเป็นอาหารนะคะถ้าดีขึ้นมาหน่อยแต่ความจริง มันกินของที่เขาเสร็จแล้วเนี่ยมันไม่น่าจะบาปนะมันไม่ใช่น่าจะบาปหรอกที่มันกินกินเพราะความหิวไ <c oughs> ม่บาปนะคะ <c oughs> กฎของกรรมชั่วทําให้ต้องมาเป็นอสุรกายนะคะค <c oughs> แต่ถ้าว่าเมื่อพ้นจากเปรตมาแล้วพอจะหาของกินได้ก็ไปกินของเนา่นาๆที่ก็ทิ้งแล้วนะคะ <c oughs> เพราะว่าสภาพมันหิวแต่เวลากินเนะี่ยวัตถุมันยุบไปเปล่ามันก <c oughs> ็ไม่ยุบเพราะถูกมันไม่ยุบแต่สภาพมันเหมือนกินใช่ไหมคะใช่ค่ะ อันนี้ไม่ไม่ใช่บาปหรอกกำลังรับทุกขเวทนาเถวยความทุกข์อยู่นะคะ อ, อาสุรากายประเภทนี้เมื่อกินของเน่าๆเป็นอาหาร <c oughs> ได้สักช่วงหนึ่งก็พ้นจากพวกข อ, ขอมๆ ม, มาเป็นอาสุรากายอ้วนๆเห็นภาพไหมคะ เห็นคับเห็นอ้วอ้วนดำอมเมื่อมเลยนะผมหยิกย่องเลยนะช่ประเภทนี้ดีขึ้นมาหน่อยนะคะหาของเส้นของสวงกินอไปจี้ไข้พวกใจอ่อนจี้เขาหน่อยมันจะเจ็บตรงนั้นตลอดเวลาแล้วนี่ต้องบนบานสันกล่าวบางทีก็ทรงเจ้าเข้าผีได้นะคะพวกนี้หาของกินไม่ใช่อะไรมันหิวเมื่อพ้นจากอสุรกายแล้วต้องมาเป็นสัตเดรัจฉานกราบท่านพญาโยมราช ขอบรารมีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธานขอท่านพ่อท่านแม่ท่านช่วยขอดูภาพในอดีตว่าคุณลุงเคยเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานประเภทสัตว์เล็กสัตว์น้อยเน่มีกี่ชาติเจ้าคะขอดูภาพเลยนีม่มากเหมือนกันมีมากเหมือนกันนะคะครับครับคุณลุงเป็นตัวอะไรบ้างคะตัวมดมากที่สุดตัวมดมากที่สุดีล้วก็ปลา เป็นปลานะคะเป็นโนกเป็นสุนักเป็นสุนักเองนะคะไล่ขึ้นมานะคะขอดูภาพว่าคุณลุงเคยเกิดเป็นสัตว์เลยคลานอยู่กี่ประเภทคะมีสามประเภทครับมีอะไรบ้างคะมีงูตับข่ามะแร็งป่องใกอ้เดือนมีไหมมีมีนะเยอะัหมคะไม่มากเท่าไหร่ครับเยอะแยะเยอะแยะนะกับกับ เมื่อพ้นจากสัตว์เลื้อยคลานต้องไปเกิดเป็นสัตว์สองเท้านึกถึงพระพุทธเจ้าท่านก่อนขอบา ร, รมีท่านพ่อท่านแม่ท่านปู่ท่ายา่านะคะขอพญายวร า, าท่านช่วยดูภาพว่าคุณลุงเคยเกิดเป็นสัตว์สองเท้ากี่ชาติเช่ไหคะไม่มากเหมือนกันครับไม่มากเป็นตัวอะไรบ้างคะเป็นนกเป็นมนุษย์อ่าตาัดสองเท้าหมายถึงสัตว์พวกสัตว์เดรัจฉานคะ่ะอ๋อสัตว์เดรัจฉานก็มีนก มีกาอือ ม, มีแรงอ่าพอพ้นจากสัตว์สองเท้าก็เป็นสัตว์สีเท้าขอดูภาพว่าคุณลุงเคยเกิดเป็นสัตว์สีเท้าอยู่กี่ชาตินะไม่มากเหมือนกันไม่มากเหมือนกันเป็นตัวอะไรบ้างคะเป็ีสุนัขมีสุนัขนะคะใช่เราจะาเป็นวัวอเป็นอะไรอีกนะโอ้แถมมาเป็นช้างซะอีกว่ะ ถ้าเป็นช้างก็โัว น, นี้ได้ทิพย์เจริญหูทิพย์มานะช้างอนะค ะ, ะเป็นสัตว์ใหญ่เยอะไหมสัตว์ใหญ่หลายตัวหลายตัวนะค ะ, ะมเมื่อรวมปริมาณกันแล้วคุณลุงมีความรู้สึกว่าตอนเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานมีมากไหมรวมทั้งหมดเลยมากมากนะเต็มที่นะคะ อันนี้เข้าใจหรื อ, อยังคะว่าสัตว์เดรัจฉานแต่ละตัวตั้งแต่มุดขึ้นมาเลยข้างในก็คือคนใช่ไหมคะข้างในก็คือคนเห็นเหตุเห็นผลที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าการฆ่าสัตว์เป็นบาปใช่ไหมคะใช่ครับแล้ว่าการฆ่าคนนะคะเราเคยเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานมาก็นับชาติไม่ถ้วนแล้วเป็นหมดทุกอย่างเอาเรากราบลาท่านพญาโยมาราชค่ะ กราบลาท่านนายบัญชีนะคะกราบขอบพระคุณท่านพญาโยมราชที่ท่านช่วยพาไปเที่ยวนรกในวันนี้นะคะและขอบารมีพระพุทธเจ้าขอท่านพ่อท่านแม่พาออกจากสำนักของพญาโยมราชมาสวรรค์ขัตตุมหาราชกราบท่านเท้ามหาราชทั้งสี่ขอบพระคุณท่านที่ท่านพาไปศึกษานะค ะ, ะต่อมาก็ขึ้นมาที่บรรดุกำพลศิลาอาจมหาท่านปู่ ถึงอย่างคะถึงแล้วกราบถึงแล้วกราบท่านปูทนทนป่ท่านย่ากราบบนศักดิ์เช่นเลยท่านทท่านทักทายว่าไงครับวันนี้ท่านรอาเยิ้มเลยครับยิ้มนะไปจ้สนุกไหมท่านป่าทาสนุกไหมครับครับครั บ, บแล้วคุณลุงว่าไงนะับสนุกครับสนุกครั <laughs> บครับ <laughs> ขอขอกราบขอบพระคุณท่านที่ท่านช่วยนะคะที่วันนี้เมื่อพ้นขึ้นมาแล้วตอนนี้เราอยู่ดาวดินค่อยสบายใจหน่อยใช่ไหมคะขอท่านปู่ท่านได้โปรดประกาศเชิญท่านที่เคยเป็นบิดามารดาและผู้มีพระคุณของคุณลุงมาก่อนที่อยู่สวรรค์กับตรมโลกคขอนเชิญท่านมาประชุมที่นี่หมายอย่างคะมาแล้วเต็มเลยเต็มเลยนะคะโอ้สวยๆทั้งนั้นณทีนี้นะคะอ่านึกให้กายมีเท่าจํานวนท่านแล้วก็กราบขอ ท่านหมดเลยกราบขอบพระคุณท่านที่เคยเลี้ยงดูเคยสงเคราะห์มาเคยแนะนำให้เราประพฤติดีประพฤติชอบนะคะกราบท่านทีนี้ต่อไป เ, ออเราถอยหลังการละลึกชาติสมัยเป็นคนกันสักหน่อยดีไหมคะไม่เทปมันหมดนะคะนึกถึงสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเวลานี้พระองค์ประทับเป็นประธานอยู่หรือเปล่าคะ อยู่ครับอยู่นะคะท่านท่านปู่ท่านย่า ก, ก็อยู่นะคะอคท่านพ่อท่านแม่ก็อยู่อยู่ขอบารมีสมเด็จพระบรมครูได้ทรงโปรดให้ข้าพระพุทธเจ้าเห็นภาพตามความเป็นจริงว่ข้าพระพุทธเจ้าเคยเกิดเป็นคนอย่างกับชาติเนี้ยมากี่ชาติแล้วขอเห็นภาพพระพุทธเจ้าค่ะโอ้โหหลายชาติเยอะเยอะอ่ะคะ่<ฮ>ะอ่า ขอให้ร่างกายที่คุณลุงเคยอาศัยเกิดและมันตายผ่านมาแล้วนอนเรียงซ้อนๆกันในพื้นที่กว้างหนึ่งกิโลเมตรยาวหนึ่งกิโลเมตรสูงสักสองกิโลเมตรพระเจ้าค่ะโอ้เต็มไปหมดเลย้อนกันสูงไปเยอะนะฮะครับครับนั่นเป็นอัตรภาพที่คุณลุงเคยเกิดและมันตายมาแล้วใช่ไหมคะใช่ทีนี้ไล่ดูรายละเอียดสักนิดหนึ่งนะคะ เห็นภาพพระพุทธเจ้าชัดใช่ไหมคะขอบารมีพระพุทธองค์ช่วยให้ข้าพระพุทธเจ้าเห็นภาพตามความเป็นจริงว่าข้าพระพุทธเจ้าเคยเกิดเป็นคนที่มียศฐานดาศักดิสูงเป็นคนที่มีอโอกาสเป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นขุนนางชั้นผู้ใหญ่เป็นนักรบเนี่ยมีบ้างไหมมีสักกี่ชาติพระเจ้าค่ะมีหลายชาติครับมีหลายชาตินะค ะ, อะขอดูตัวอย่างชาัดๆสักหนึ่งชาติ ก็สมัยนั้นคุณลุงเป็นอะไรคะเป็นพระมหากษัตริย์เป็นพระมหากษัตริย์นะดูภาพนะคะครับเห็นภาพพระราชวังที่อยู่ไหมคะเห็นครับตอนนั้นแต่งตัวเป็นยังไงดูภาพแต่งตัวสวยแต่งตัวสวยนะครัเครื่องแบบชาติไหนชนชาติไหนชาติไทยครับชาติไทยโอ้ถ้าชาติไทยเนี่ยขอบา ร, รมีขอท่านปู่ท่านย่าช่วยเห็นภาพว่าคุณลุงเกิดเป็นพระมหากษัตริย์สมัยไหนคะ จะหมายสุโขไทยอ่าสุโขไทยเหรอคะครับมีชื่อว่าอะไรคะอืมยิ้มยิ้มเฉยเยิ้มยิ้มเฉยเสมัยสุโขไทยนี่คุณลุงดูสิคะปกครองหัวเมืองหร้อเปล่าคะปกครองภาพหัวเมืองนะคะครับไม่ใช่เมืองหลวงนะคะไม่ใช่ครับหัวเมืองแถวไหนคะดูภาพแถวแถวทิศไหนแถว ทำไมละมาอยู่อยุธยาวะอ่ามาอยู่งแถวยุทธยาเหรอคะครับคร<ะ>ับครับอยู่แถวยุทธยานตอนนั้นสุโขทัยเป็นเมืองหลวงใช่ไหมคะใช่ครับคนไทยยังอยู่กันเป็นกลุ่มๆนะคะ<ช>เป็นหัวเมืองเล็กหัวเมืองน้อยเป็นสมัยในการรวมบ้านรวมเมืองให้เป็นพวกเดียวกันคุณลุงเคยเป็นเจ้าเมืองสมัยนั้นนะค ะ, ะแถวแถวอุทยานะคะค<ะ>รับดูภาพอีกทีสิคะตอนที่เป็นพระเจ้าเป็นดินนั่นน่ะคุณลุงมีมาเหสีบ้างไ้ย มีมีลูกไหมคะมีครับดูช่วงชีวิตต่อไปเลยว่าการเป็นพระเจ้าเป็นดินเนี่ยมันมีความสุขหรือความทุกข์ทุกข์ขับทุกทุกย<อ>ังไงคะทุกกลัวข้าจะมาลุกลานทุก่ะกลัวประชาราชนจะไม่มีความสุขการทํามาหากินหรือก็จะไม่สะดวก เป็นทุกข์นะคะก็คิดตลอดเวลาใช่ไหมคะเรื่องนี้ในฐานะที่เราเป็นผู้นําเขานะคะกมีป่วยบ้างไหมคะมีครับมีป่วยนะคะคอืลูกมีไหมมีมีนะภาระเราก็ต้องมีใช่หมคะใชครคนสุดท้ายตายบ้างไหมโอ้ยตายตายนะตอนตายดูสิค่ะเมื่อที่สมานกายออกจากล่างยศฐามบรรดาศักดิ์่มันตามไปโลกอื่นด้วยเปล่า ไม่ไปเลยอะไม่ไปเลยนะค ะ, ะนี่การเป็นพระเจ้าแผ่นดินเราก็เคยเป็นมาแล้วใช่ไหมค ะ, ะนี่อาศัยความดีของเราเคยเป็นเป็นใหญ่เป็นโตมาก่อนละ่ะต่อไปขอดูภาพนึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพวกข่าพระพุทธเจ้าเคยเกิดเป็นมหาเศรษฐีร่ํารวยมีทรัพย์ ม, มากมีสักกริชาตพระพุทธเจ้าผ่ามีหลายชาติมีหลายชาตินะขอดูใกล้ๆชัดๆสักหนึ่งชาติคะ่ะตอนเป็นมหาเศรษฐี เป็นผู้หญิงผู้ชายคะผู้ชายครับผู้ใหญ่นะแต่งตัวไงคะแต่งตัวธรรมดาแบบคนไทยหรือต่างชาติค น, า ค, คนไทยคนไทยนะคะคที่บ้านช่องเรือนชานอยู่ยังไงคะดูภาพนี้ค่ะอยู่ๆ อ, อยู่ในเมืองอยู่ในเมืองในเมืองอยู่แถวไหนคะอยู่แถวสุโ ข, ขทัยครัสุโ ข, ขทัยอีก น, นะคะคอ่าก็อย<ๆ>ู่สมัยสุโขทัยนะอ่า บ้านช่องเดือนชานใหญ่ไหมใหญ่ใหญ่นะตอนนั้นมีลูกมีเมียบ้างหรอือเปล่ามีมีนะท<ะ>่านมาหากินอะไรนะคะประกอบอาชีพอะไรค้าขายกับต่างประเทศอะ่ะคือค่าขายในประเทศค้าขายในประเทศแต่มีลูกค้ามากเอามีลูกค้ามากครับร<ะ>่ํารวยนะคะครับความเป็นอยู่เป็นไงอาหารการกินสบาย สบายนะคะไม่เดือร้อนไม่เดือดร้อนนะคะเดินทองมีเหลือใช้มีเหลือใช้แล้วต่อไปก็ดูซิว่าตอนนั้นเคยป่วยบ้างไหมป่วยครับเคยมีความหนักใจทุกข์ใจเรื่องอะไรบ้างไหมขอบารมีพระพุทธเจ้าช่วยเกิดความรู้สึกชัดๆัขอให้บุกภาพปรากฏชัดๆเคยลําบากใจเรื่องอะไรบ้างหรับเปล่าไม่ครับมีมความลําบากใจเรื่องอะไรเรื่องกลัวเขาจะโกงอ้าวกลัวเขาจะโกงเงินเรามีมากไหม สองกลัวเขาจะป่นสามกลัวเขาจะชิงมันก็เป็นทุกข์ระแวงไปหมดมันก็ไม่มีความสุขใช่ไหมคะไม่มีความสุขรวยแค่ไหนก็ไม่มีความสุขครับป่วยเป็นใช่ไหมคะใช่ครับผลทุดท้ายตายไหมตายผลสุดก็ตายตายแล้วก็เอาไปไม่ได้สักอย่างเอาไปไม่ได้สักอย่าง เ<ช>นี่ยการเกิดเป็นมหาเศรษฐีมั่งมีทรัพย์มากนะคะก็เป็นที่ปรารถนาของคนเราก็เคยเป็นมาแล้วใช่ไหมคะ<ช>ขอบารมีองค์สมเด็จพระปฐิตแก้วขอท่านปู่ท่าย่าท่านช่วยเห็นภาพว่าการที่ข้าพระพุทธเจ้าเป็นมหาเศรษฐีได้นั้นเพราะทำความดีอะไรพระพุทธเจ้าค่ะขอให้ภาพปรากฏชัดๆทำผ่านแล้วก็ปฏิบัติเอง ทานมานดับหนึ่งเลยใช่ไหมคะครับทานมานดับหนึ่งเลยการให้ทานทําให้เราเป็นคนร่ํารวยนะคะอั น, นิี้ส่ของทานนี่ต่อไปขอดูภาพนึกถึงพระพุทธเจ้ากันก่อนว่าข้าพระพุทธเจ้าเคยเกิดเป็นคนยากจนเข็นใจนะียมีบ้างไหมสักกี่ชาติพระเจ้าค่ะมีครับตอนเป็คนยากจนเปไน็นไงเป็นคนยากจนหไม่แสนสาหัสเหมือนกันแสนสาหันะสหนะมีอาชีพทําอะไรนะ ดูภาพทำสวนทำสวนนะคะครับมีลูกมีเมียบ้างไหมมีดูการธรรมะดูการกินการอยู่ใช่ไหคะขอดูภาพเลยการกินการอยู่ก็พอประมาณแล่แแค้นบ้างไหมก็นี่ก็กิจินบ้างมีกินบ้างอ่นะคะครับขาดจนเกินอ่าทาสวนก็ต้องทํางานหนักใช่ไหมคะใช่ครับเหน็ดเหนื่อยก็มีความทุกข์ที่ทุกข์ยากขนาดหนักมีบ้างไหม <ใ>นแง่ของความเป็นยากจนเป็นอะไรคะป่วยครับป่วยอืถึงขนาดยากจนมากๆกามีไหมไม่เป็นอะไรตอนนั้นน้ำท่วมน้มําท่วมสะพานพับสินเสียหายเกิดยากจนขึ้นมามนี่กฎของกรรมนะคะนี่การเกิดเป็นคนยากจนเราก็เป็นมาแล้วขอดูภาพสิเพราะว่าที่ต้องเกิดเป็นคนยากจนเนี้ยเพราะกฎของกรรมในเรื่องอะไร เรื่องขี้เหนียวอ้าวเรื่องขี้เหนียวไม่ให้ทานใช่ไหมครับแต่นีขี้เหนียวอืเลยยากจนเลยครับนี่ต่อไปขอบา ร, รมีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอท่านพ่อท่านแม่ท่านช่วยเพราะการเกิดเป็นคนของข้าพระพุทธเจ้านั้นที่เคยเกิดเป็นคนสวยหน้าตาดีมีความสดชื่นมีสักกิชาติพระเจ้าค่ะ โอ้มีหลายชาติมีหลายชาตินะคะครับคดูภาพชัดๆใช่ไหมตอนเป็นคนสวยอ่าหน้าตาเป็นไงสวยหน้าตาสวยนะครัหน้าตาดีนะคะครับเพราะทาความดีอะไรพระพุทธเจ้าข่าจึงได้เกิดเป็นคนสวยได้ปฏิบัติศีลตับอฏิบัติศีลนะคะแล้วพกศีลบริสุทธ์ก็มาเป็นคนสวยนะคะครับถสมเด็จพระพูทมีประพาจ้าว่าข้าพระพุทธเจ้าเคยเกิดเป็นคนที่เรี้ยวขีเลรมีบ้างไหมคะ ดูที่มีสักกี่ชาติไม่ีกี่ชาติแค่ดูพี่คะก็ไมีหลายชาติเหมือนมีหลายชาติเหมือนกันนะตอนเป็ขี้เลี้ยกขี้เหล่เป็นไงดูผ้าร่างกายนี้อืมไม่อยากพูดเลยครับทําไมคะเปนขี้เหล่มากมี็นขี้เหล่มากพูตามปากแกมหมุกมันวางไม่ถูกจังหวะจกคนเนื้อตัวไปกระดํกระด่างการเกิดเป็นขี้คนที่เลี้ยุขี้เหล่นี่มันเป็นกฎของกรรมในด้านไหนคะ อในด้านความเมตตาค่ะขาดเมตตาะพวกโหดร้ายนะหน้าบึ้งขึงจอเนี่ยมันก็ไม่สวยใช่ไหมคะใช่ครับนี่การเกิดเป็นคนเนี่ยเราเป็นมาทุกระดับแล้วใช่ไหมคะคุณลุงเห็นภาพอย่างนี้แล้วคุณลุงอยากเกิดอเองไหมคะไม่เอาอีกแล้วครับผมขอแต่็นชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายเลิกเลยนะคะไม่เอาแล้วนะคะ เข้าไปกราบลาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านึกถึงพระมหากรุณาธิคุณวันนี้อาศัยคําสอนของพระพุทธองค์ทําให้ข้าพระพุทธเจ้ารู้สึกตัวว่าอะไรควรทําอะไรไม่ควรทํานะคะนับไั้แต่บัดนี้เป็นต้นไปเลิกกันทีการเกิดนะค ะ, อะขอไปพันิพันขอไปปันธิพัน์นแห่งเดียวกับกราบท่านปู่ท่านย่าท่านพ่อท่านแม่นะคะะ ท่ า, ทา น, าน แ, แม่ดีใจ<า>ด้วยเหม่อลูบหลังเลยท่านพูดว่าไงไหมคะเย้ yeah, แล้วก็เหม่อลูบหลังกาบนะคะแม่ ห, หลวงพ่ออยู่นะคะอยู่กาบอยู่ด้วยนะคะคนะกาบลาท่านนะคะคเพื่อนเวลาหมดเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนหน้าเทพัซนี้สน่งนะคะ